ปร ม, มารโรกาทิปติสัมปติกัอัญจรีอันทิวัลังกยาเตาสันติทัสตาจรักชาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรมปิมังปชัชฌมอ า, าทีพมาพร้อมกันหมดทียบ้านเสียงทนี่ า, าวัดป่าพระป่ า, า, ปามัน่เหมือนเนื้อทั่วไปานั่งไม่เป็นระเบียบประมาให้เสียงทำมันเป็นบาปน ทุกคนได้เวลาพร้อมที่จะตั้งใจฟังธรรมะมภาคปฏิบัติจากองค์หลวงพ่ออุทัยติลิตโดวัดเขาใหญ่ยาณสัมปันโนอำเบอร์ปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เจริญสุขพี่น้องญาติยมแชกผู้มีเกียรติทุกันวันเี้ชมน ม, มศึกษาทำปฏิบัติธรรมของธนาคารแห่งประเทศไทยไดอาราธนาองค์อัตมา มาอธิบายทำภาคปฏิบัติสู่พวกเราเราทันทันหลายฝั่งพี่น้องญาติยมแจกผู้มีเจทุทันตน้องได้ขอให้พวกเราโูมใจเถพอะเพราะพวกเราเกิดขึ้นมาพรบนี่ชาตินี้ บุญกุศลพาพวกเรามาเกิดตรงนี้ต่างหากที่องค์หลวงพ่อว่าให้พวกเราโูมใจเถอะการได้ยินได้ฟังการได้ศึกษาและการได้ปฏิบัติตามสินธรรม พ่อการเกิดขึ้นมาแต่ละพบแต่ละชาติกลัวจะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ยากแสนยากจะยากขนาดไหนหลองฟังคติที่พระพุทธเจ้าสมัยพระองค์ยังทรงผชญอยู่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ยยากแสนยากยากขนาดไหนในกาละข่าวครั้งนั้นพระองค์นั้นพร้อมบูกณะสาส์ พระองค์เสด็จไปเรมนฝั่งแม่น้ำเจเลยคณะสงฆ์ทั้ง 400-500 ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปในขณะที่พักอยู่ส่วนหนึ่งที่เรมเมทะเลพระพุทธเจ้าเจ้าการนั้นเวลานั้นน่ะเป็นคติสอนโลกให้คณะสงฆ์ได้นำไป เป็นคติสอนโลกด้วยอันนั้นคือพระพุทธเจ้าถามบรรดาประสงค์ทั้งหลายว่านี่บรรดากน่าสงทั้งหลายพวกท่านลองมองลงไปสู่แม่น้ำทะเลดูที่กว้างไหมทอกองต่อประกวงประจับ่ะตามปกติธรรมดาแม่น้ำมหาทะมุทะเลเลึกไหม เลิกพระเจ้าค่ะทั้งกว่างทัานลึกใจหมายใช้ประเจ้าค่ะเอาฟังคติสักหน่อยที่ท่านกว่างท่านเลิกสมมุติว่ามีเต่าตาบอดตัวหนึง่งลอยแครงกว้างโจอแม่น้ำมหาสมุทรทะเลทั้งกว่างทัานลึกร้อยปีโผล่ศีรษะขึ้นมาหายใจครั้งนึ่ ร้อยปีโผเทตระขึ้นมาหายใจําหนึ่งแล้วในขนาดนั้นอ่ะในแม่น้ำตะเลมาถึบุตเเลกวา่างขนาดนั้นอ่ะมีแอกอันหนึ่งลอยไปตามกระแสลมแอกมันก็บใใหญ่ไม่ว่วงอะไรหรอกสำหรับสวมขวางวัวาควาย แล้วอ่าเต่าตัว น, นั้นน่ะพระพุทธเจ้าว่บาบังเอิญในขณะที่โพธิจ์ขึ้นมาแตอกันั้นมาสวมคอพอดีปั๊บเลยเป็นไปได้บันที่สุดโอ้ยเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่ะทุบองคงตอบนะเพราะน้ำมหา้งหมดทะเลกวงต่อกวง แล้วแอร์ี่ลอยอยู่แค่งควา้างไม่ทราบว่าลบยาพัดไปทางไหนอย่าพึงตอบปฏิเสธอย่างนั้นพิสูจ์อย่าพึงตอบปฏิเสธอย่างนั้นที่พวกเธอทั้งหลายตอบปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้มันจะเป็นลักษณะนั้นอยู่แล้ว ถ้าเป็นไปได้ยากแสนยากพระเจ้าว่ายากระดมันเป็นไปในลักษณะนั้นอยู่แล้วอันนี้คือหมายวามว่ามนุษย์คนเรานานาจะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ยากแสนยากเหมือนเต่า้าบอดโผล่ขึ้นมาได้จังหวะแอบสวมกอบครับ กัวจะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แต่ละครั้งแต่ละคนแต่ละครั้งแต่ละคนเนี่ยยากแสนยากเหมือ น, นึ่งนัันเอ้าวิเคราะห์ทีเนี่ยสัตว์เดรัจฉานที่เขาไม่มีบุญเนกถึงความดีไม่ได้มากขนาด น, นั่นเออนับแต่โมตัวเรงแมงตวเลฟขก้นไปสัตว์ในน้ำ จะพวกปลาตัวเล็กตัวใหญ่สารเดรัจฉานในบนบกตัวใหญ่สุดพวกเราลงองวิเคราะห์มาเทียบกับมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยยังไม่จู้เสียบเดิงของบรรดาสัตว์เดรัจฉานที่ก็เปิดเลย เขาเรียกไปขอเห็นได้ชัดใกล้ๆก็มาเี ก, ลกลปลาตัวหนึ่งมีไข่จีไข่กับมน์คนเราน่นะออกลูกแต่ละครั้งอันนี้ที่พระพุทธเจ้านำมาเตือนเป็นคติสอนโลก ฉะนั้นนะคติตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงเทศนาธรรมเป็นบทบาลีว่าเจตดชอมนุษสปฏิลาภการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้เป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภอย่างประเสริฐแล้วถึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จริงที่เกิดขึ้นมามาเจอมาเจอ การเวลาหลักพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่มีโอกาสมีเวลามาเจอมาเจอลักษณะนี้เป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภอยากประเสริฐแล้วพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาฟังความรู้ตัวเตือนตัวเรื่องนี้นะมันจะเฉย นักนักเข้าบางคนนะที่พระพุทธเจ้าสอนชาวพุทธเขาเคยได้ยินได้ฟังบางครั้งบางข่ง า, งาวผ่านโหนก ว, ว่าบุญมีบาปมีนกรกมีสวรรค์มีบางคนบางหมู่เนี่ยสงสัยนักหนักเข้าปฏิเสธไม่มีเลยบุญที่ไหนบาปที่ไหน เกิดนบาชาติเดียวตายแล้วแล้วไปไม่มีบุญไม่มี บ, บาปป้าทุพน้องญาติโยมพี่น้องรู้ละตรงนี้พูดมาได้ยังไงนี่พลังอำนาจอาวิชากว่ามไม่รู้อำนาจของโมหะความหลงอวิชากวามไม่รู้ ฉันโครขึ้นมาได้ในลักษณะนี้ทางกลางในเมื่อตัวเองมีกีวิตเพราะไม่ได้มีโอกาสมาศึกษาตามหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีโอกาสมาได้ยินได้ฟังตามหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าเขาไม่ว่าเราล่ะจะไม่เชื่อเลย จะไม่เข้าใจเลยที่น้องญาติยอมแจกผู้มีเกียรติครับ <c oughs> ลองวิเคราะห์คำว่าบุญบุญภาษาเราคือความสมบูรณ์ในชีวิตการเกิดขึ้นมานะอย่าไปดูอย่าไปมองที่อื่นนะอย่าไปเห็นที่อื่น คำว่าบุญบญให้ดูจากตัวเรานี่ก่อนจะไปดูที่อื่นบุญมีจริงไหมให้ดูจากตัวเราดูยังไงตัวเราดูตัวเราเนี่ยภาษาธรรมท่านสอนให้ทำบุญภาษาเราที่เนี่ย พวกเราเกิดขึ้นมาบญของเราพาจิตใจพวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์ดูตรงนี้สิค่ะบนของเราพาดวงจิต ด, ดวงใจของพวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นไปได้ยังไงมาเกิดได้ยังไง ถ้าตรงประเด็นศัพท์ที่บางคนบางหมู่เขาพูดว่าเกิดขึ้นมาชาติเดียวตายแล้วแล้วไปอันนั้นก็นหมายก็ว่าเขาว่าใจคนนั้นตายคนนี้ตายดับไปเลยสูญไปเลยแต่แล้วสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไมา่ได้ว่าอย่างนั้น จะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพองค์ต ร, จจรัส้รู้แล้วขึ้นชื่อว่าดวงจิตดวงใจไม่เคยตายเลยไม่เคยสลายเลยอภิเรนโลที่ไหนเขาว่าดวงจิตดวงใจในขณะพวกเรานั่งอยู่นี่เอาขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนหลับตา เรียนภาษาใจโูกเรื่องใจหลับตามีตติและเลือกโลในขณะที่เราหลับตามีตติตและเลืกโลมันโลอยู่อันนี้คือใจห่วงใจเรื่องใจคือทางโลกก็แล้วแต่จะบ่า ถ้าเผื่อเราเลือนตามันจะไปมองเห็นแต่เรื่องื่นแล้วไปรู้เรื่องสิ่งที่มองเห็นด้วยไปรู้เรื่องนั้นมันก็เกิดจากพลังของใจคือความโลภฉะนั้นในเมื่อเราหลับตาใจคือความรลภมันโลย คำอีกพำหนึ่งที่เนี่ยเาว่าเจตเจตคือความนึกความเจตของพวกเราที่เรานึกเราชิตนั่นแหละคือามเจตที่ภาษาเราเรียกว่าเจตใจเจตใจเจตใจน่าแต่มันเป็นไวยพสพูดแทนกันได้นะใจกับหมายเรงเจตนั่นล่ะเจตกับหมายเรงใจนั่นล่ะ แต่ยางท่านแยกโพธในกิริยาลักษณะเฉยฉะนั้นคำว่าจิตใจจิตใจ <c oughs> หรือว่าใจคือความรู้พระพุทธเจ้าสอนว่าใจคือความรู้เนี่ยนอกจากตายไม่เป็นใจคือความรู้นี่เก็นแจ่ไม่เป็นทีนี้จริงไหมตรงเนี้ย ลองกำหนดดูความท่าความแฉะของใจเอาใจปรากฏความท่าความแฉะไหมนั่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนว่าใจนี่แฉ่ไม่เป็นตายไม่เป็นนอกจากแฉ่ไม่เป็นตายไม่เปลี่ยนแล้วใจดวงนี้มันตอเองไม่เป็นทีเนี้คือหมายถึงว่ามันรู้เองไม่ได้นะ จะรู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องผิดเรื่องถูกต้องอาศัยการมาศึกษามาได้ยินได้ฟังนอกจากศึกษาได้ยินได้ฟังตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้มีพระคน <c oughs> บอกเตือนสอน สมัยพวกเรายังเป็นเด็กเป็นเด็ ก, ดกอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้มีพระคุณบอกสอนบอกสอนบอกสอนบอกสอนศประการที่ผู้มีพระคุณมีมายัางไงเอาเรื่องนั้นมาบอกมาสอนให้ลูกให้หลานได้ฟังในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เป็นประโยชน์ พอโตขึ้นมาก็ส่งให้ไปศึกษาตามสถาบันต่างๆเพื่อเอาความรู้น่นาะเข้ามาบำรุงใจนอกจากความรู้ของผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายความรู้ของครูของอาจารย์จากสถาบันต่างๆเข้าบำบุงใจให้กิจใจมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น โดยเฉพาะสถาบันพุทธศาสนาถ้าได้มีโอกาสมาศึกษามาได้ยินได้ฟังตามหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเ <c oughs> ชื่อมั่นในเหตุผลเนี่ยที่พระพุทธเจ้าว่าสอนว่าบุญมีจริงเห็นตัวบุญจริงๆเลยบาปมีจริงก็เห็นตัวบาปจริงๆเลย เรียนรู้ลักษณะด้วยเมื่อรู้เมื่อเข้าใจทางที่ดีทางที่ถูกลักษณะเนี่ยแสดงว่าจิตใจของพวกเรามนุษย์ของเราเปนโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นตามหลักคาสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตใจโตจิตใจเป็นผู้มีสติปัญญาโดยสัมมาทิฏฐิความคิดความเห็นมันถูก ส่วนสังขารร่างกายเราก็โลอยู่มันตอขึ้นมาได้เพราะปะจัจจัยสิเครื่องประโภคบรโิโภคส่วนยจิใจจะโตขึ้นเพราะอาศัย <c oughs> เอาเหตุผลความดีจากผู้มีจกประการ โดยเาพาะพระพุทธเจ้าเป็นศาสตรดายเอกสอนโลกเอาความรู้ของพระพุทธเจ้าพระธรรมคือความรูนะ้มาสอนที่พวกเราศึกษาตามหลักวิชาหรือได้ยินได้ฟังศึกษาตามตำราอันนั้นละ่ะพวกเราศึกษาเหตุที่เป็น หลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้มาเข้าใจเรื่องผลเหตุผลเหตุผลน่ะนะผลคือ <c oughs> บุญพามาเกิดกระโดดรูปร่างของพวกเราทั้งหญิงทั้งชายเนี่ย Similarly. ตัวบุญบุญมากบุญน้อยมันต่างกันทีเนี้ย niejs? ขนาดลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันแท้ๆนะเหมือนกันั<ไ>้มพวกเรานั่งอยู่นี่อยู่ตรงนี้หลายท่านหลายคนรูปร่างลักษณะสีสันวรนนะเหมือนกันั้มอันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าบนแต่ละคนแต่ละคนนะนะ่ะไม่เท่ากัน มีมากมีน้อยความดีมีมากมีน้อยแตกต่างกันอย่าไปดูที่อื่นนอะว่าตัวบุญตัวบุญตัวบาศอย่าไปดูที่อื่นให้ดูในตัวของเราก่อนแล้วศึกษาในโลกมนุษย์ที่มันมีสมบูรณ์อยู่แล้วลักษณะของบุญของบาศอย่าไปศึกษาที่อื่นยกตัวอย่าง <c oughs> ในโลกมนุษย์เรานอกจากมนุษย์คนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานในน้ำบนบกสมบูรณ์เลยทีเดียวเขาว่าตัวบาปตัวบาปตัวบาปคือตัวสัตว์เดรัจฉานเ <c oughs> จตของเขานี่ยนะ หรือว่าใจของเขานั่นน่ะนึกถึงความดีคือบุญไม่ได้เขาจึงไปยินดีก่อเกิดเข้าท้องสัตว์เดรัจฉานสัตว์ประเภทไหนความยินดีในดวงใจความรู้สึกของเขานี่ส่วนหนึ่งเหมือนกับมนุษย์คนเรา ความยินดีของศาสนาเนี่ น, นั่นคืออะไรคือความยินดีตัวเมียยินดีตัวพ่ตัวพ่อยินดีตัวเมียหลักศาสนาได้ว่ากามมาเกเรกามาตัญหาหรือว่ากามกก า, มนห า, หามคน ฉะนั้นน่ะเหมือนมนุษย์คนเรามนุษย์คนเราผู้หญิงดีผู้ชายผู้ชา ย, ยินดีผู้หญิงสัมผัสรูปเสียงจิงนรดสัมผัสแต่สัตว์ในฉาสน่นะเ <c oughs> นึกถึงความเป็นบุญที่จะมาก่อเกิดรูปร่างความสมบูรณ์เหมือนมนุษย์มันนึกไม่ได้ทำไมจังนึกไม่ได้เพราะสมัยมันยังมีชีวิตเป็นมนุษย์ มันไม่สนใจเรื่องสินเรื่องธรรมไม่สนใจเรื่องบุลเรื่องบาปมันไม่สนใจเมื่อไม่สนใจไม่ได้ศึกษาไม่ได้เล่าเรียนมันจะรู้อะไรสเนี่ยเมื่อไม่รู้ล่ะตรงนั้นแหละใจออกจากรูปร่างสบายเป็นมนุษย์ไม่สนใจเรื่องสินเรื่องธรรมเรื่องบุลเรื่องบาปหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เป็นบาปหลีงเลี่ยงในสิ่งที่ไม่ดี มันตายไปมันจึงไปเข้าท้องสัตว์เดรัจฉานไปเพศไหนมันก็เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเพศนัน่นเดียวพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลาน <c oughs> ตั้งใจดีๆเถอะพระพุทธเจ้าสอนศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเชื่อเราเชื่อเรื่องอื่นเราเชื่อมามากแล้วเชื่อในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ดีเถอ ฉะนั้นลเชื่อว่าใจของเราเนี่ยมันแก่ไม่เป็นมันตายไม่เป็นมันโตเองไม่เป็นอยากที่ว่าให้ฟังถ้าใจโตก็คือหมายก็ว่าศรัท ธ, ธาความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วนเนี่ยมันถึงใจถึงใจถึงใจถึงใจขึ้นชื่อว่าสิ่งที่มันเผิดผิดศีนผิดธรรมไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าทําไม่กล้าพูดไม่กล้าคิด ถ้าเนื้อขึ้นมาได้อย่างนี้ในความสั่งเนื้อแสดงว่าจิตใจมันโตถ้าแล้วในเหตุการณ์ <c oughs> แล้วในหมู่เพื่อนแล้วใ่การเวลาไม่ได้กระดึงจากพฤติกรรมการกระทาของตัวเองรละหมู่นนะมันควรยังไงมันผิดมันจะมันผิดยังไงมันถูกยังไงมันควรยังไง ไม่ได้สนใจตรงนั้นพวกเราชาวพุทธลูกหลานชาวพุทธเชื่อเถอคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยๆให้พวกเราเข้าใจว่าสิ่งที่วัดความผิดความถูกจากการกระทําของเราหรือของคนอื่นนะนะอย่าไปเอา อ, อื่นมาเป็นเครื่องวัดนะวัดความผิดความถูกนะพวกเราชาวพุทธลูกหลานชาวพุทธเนี่ย เดีวยวเช้าไหนก็ตามในโลกเนี้่ถ้าสนใจให้เอาหลักศีลธรรมไปเป็นเครื่องวัดการกระทำคําพูดแนวคิดความผิดความถูกให้เอาหลักศีลธรรมไปเป็นเครื่องวัดเมื่อ <c oughs> ตรงนี้ละเจชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรา <c oughs> บุญพามาเกิดคุณธรรมภายในจิตใจของพวกเราเนี่ย พวกเราละอายต่อความชั่วกลัวต่อสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมมากน้อยขนาดไหนในความรู้สึกถ้าเผื่อพวกเรายังมีมีความสั่นนึกกลัวในสิ่งที่เป็นบาปอะไรเป็นเครื่องวัดก็คือสินห้าแต่นั้นน่ะสมาทานสินห้าแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะ่ะ ไม่ใช่พูดพอให้จบเรื่องจบราวพูดแล้วแล้วไปว่าแล้วแล้วไปอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะเพต น, นัดนะเธอเดียรภาษาเราคือศึกษาที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มันเป็นบาก ทำน้อยเป็นบาปน้อยทำมากเป็นบาปมากทบทวนอีกว่าล่าหนึ่งเอาสินข้อที่หนึ่งปานาพระพุทธเจ้าห้ามการฆ่าตั้งแต่มนย์ลงไปยิ่งฆ่าผู้มีประมุลยิ่งบาปมากม า, กมายมหาศาลเป็นคนันธนิกรร ถ้าเผื่อเป็นไปได้ความบริสุทธิ์ละเอียดหมดจดดีขึ้นชื่อว่าสัตว์ที่มีชีวิตแม้สัตว์เดรจฉานเรียกได้เรียนได้เดดที่สุดเลยอันนี้ข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราสมาทานไปแล้วข้อที่สอง เรื่องการรักเกิงวิ่งราวพุนจุดมโจมตีทำน้อยเพดน้อยบาปน้อยทำมากผิดมากบาปมากเป็นรุปมมากข้อที่สามเจารีตประเพณีสามีปริญาบทที่ดาคำว่ามันเพจทำไงมันิด คือไปล่วงละเมิดอย่าไปทำในสิ่งนั้นข้อที่เจนเว่นใกเว่นจากกหกหลอกลวงพูดไม่เป็นคำสัตย์คำจริงข้อที่ห้าเดิมน้ำเมาสุลาเมรัยกัญชายาสิ่ยิ่งยุคนี้สมัยนี้ สารบางอย่างชื่อมันก็นบอกเรียบบ้าชื่อมันก็นบอกว่ิยาบ้าชื่อมันก็นบอกอยู่แล้วลองตั้งใจดีๆแล้วคนที่เอามาขายมาขายให้ขายไอคนที่ซื้อซอาาื้อมันกินเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าชื่อมันก็บอกเรียบบ้า ก็ต้องการเป็นบ้าเลยนี่ยถ้าตั้งใจดีๆตั้งติตดีๆโอ้ยไม่ว่าแต่ซื้อมากินแล้วคนหนึ่งจะซื้อให้ก็ไม่เอาจะซื้อมากินในบ้าทำไมหรือใครว่าบ้าเป็นคนดีฮความดีรวมอยู่กับบ้าเลย นี่เราจะถวดสังเวศโอ้ยมีหน้ามีหน้าปัญหาสิ่งที่เลวร้ายทุกทุกวันเนี่ยทำไมไม่พากันคิดอะไรจัหน่อยเดินไปซื้อมากินไปซื้อมาขายทาไมคนะจราเมียรายกินแล้วกินน้อยเสียหายน้อยกินมากเสียหายมาก เหลือกินน้อยบ้าน้อยกินมากบ้ามากอาันนี้ดีฟังแล้วลองโอพนาที่โก๋น้องก็มาสู่เราแล้วเขาน้องดูหมู่ดูพวกพวกเราสินห้าในเหลือที่อ้อเหลือหมูะนะหรือท่ามกลางของสังคม พวกเราชาวพศคนไทยชาวพศนี่แหละยิ่งชาวโลกยิ่งมองเห็นได้ชัดเลยถ้าเราเอาศิลปหามาเป็นเครื่องวัดลักษณะนี้วัดความผิดความถูกหน้าตลกจังเวกันาดไหนหน้าเื่อนงตัวตื่นตนันาดไหนที่พวกเรามีโอกาสมีเวลามาได้ยินได้ฟังวันนี้ พวกเราควรจะซึ้งใจเพราะเราได้มาตั้งใจฟังในสิ่งที่เป็นคำสอนเหตุผลของพระพุทธเจ้าสอนถ้าเผื่อพวกเราตั้งใจวิเคราะห์ในเหตุในผลนั่นนะศรัทธาความเชื่อตัเนี้ยทำไปแล้วร่วงเมื่อไปแล้วมันเป็นทุก ทุกน้อยเรียกว่าบาปน้อยทุกมากเรียกาบาปมากแล้วพวกเราตั้งใจฟังอยู่ที่นี่ใครต้องการความเป็นทุกข์เอาทุกทางกายและทุกทางใจใครต้องการดูสันแคตยานภาษาจิตใจของพวกเราดูสิ ความสำ่ำเลอกของพวกเราฉะนั้นเราฟังเรื่องบุญเรื่องบาปถ้าเผื่อพวกเราฟังแล้วโอปัายิบอน้อมเข้ามาสู่ร่างกายพวกเราจะเห็นได้ชัดเลยพ่อแม่เดียวกันแท้ๆลูกสองคนสามคนขึ้นไปจะไม่เหมือนกันทำไมจะไม่เหมือนกัน แล้วพ่อแม่ต้องการลูกลักษณะนั้นหรือความจริงสรญชาติยานของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่นะถ้าเผื่อเป็นไปได้พ่อแม่จะแต่งให้สมบูรณ์แบบเลยแต่งลูกของตัวเองนะ่ะเกิดขึ้นมาจะไม่มีที่ต้องติเลยนี่คือสรญชาติยานของจิตใจผู้เป็นพ่อเป็นแม่ แต่แล้วมันเป็นอาถารนะมันเหลือปีัยเขาที่เป็นลูกเ ม, มาอาศัยเราเกิดเฉยๆส่วนจิตใจเขานั่นะเลี้ยจากความชั่วได้มากได้น้อยขนาดไหนเวี้ยนจากความชั่วได้ดีได้ละเอียดขนาดไหนอันนั้นมาเป็นเครื่องแสดงออก ในความเป็นสมบัติวองความเป็นมนุษย์มนุษย์สมบัติโรคสมบัตแต่นานการเกิดขึ้นมาบรรย์ในโลกหรือประเทศไทยเราเนี่ยต้องการความสวยความงามบางโอกาสบางเวลาเอาคัดเลือกนางงามหาคนงานในประเทศไทย งามกว่าหมูกูเพื่อนมีจีพอนมันเป็นเครื่องแสดงออกบอกผลผลที่เขาคนนั้นอ่ะเว้นจากความชั่วได้ดีได้ถึงความเป็นละเอียดอ่อนทำให้ใจิตใจก็มีความแจ่มใสผ่องใสเกิดขึ้นมาจะเป็นผู้ชายการโูปสวยรูปร่อ ต่เป็นผู้หญิงกับลูกสวยลูกงามอันเนี้เคลื่อนวัดผลการเร่นจากความชั่วได้ดีได้มากได้น้อยแตกต่างกันยังไงหรือบางคนหน้าตรดจสังเวทขนาดไหน <c oughs> หูนหัวตาบอดยันไปแล้ว เป็โรคเป็นภัยยังมีแล้วแขนปวดขาร่วนเข้าไปถามว่าคนคนนั้นต้องการจากจเกิดมาเป็นคนแบบนั้นเหรือหรือพ่อแม่ข่งเขาต้องการอยากในโลกเป็นแบบนั้นหรือน่ากลัวไปพี่น้องญาติโยมคำว่าบาปบาปบาปมาดูพวกเราตัเนี่ยพวกเราผ่านจรงนั้นมาได้ น่าซึ่งใจขนาดไหนการเว้นจากความชั่วของพวกเรา้นวิชาที่ผ่านมาแล้วพบหน้าชาติหน้าที่เนี่ยต้องเกิดอีกแน่นอะเว้นไวแต่พวกเรามีวาสนาบามีเข้าสู่ภาคปฏิบัติเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องจําละต้นเหตุได้เกิดทุกขกันนั้นคือ ชำระกิเลสชำระตัณหาออกจากรวเขีดรวมใจเจ็บใจมีความบริสุทธิ์เหมือนสาวกสาวิการขัง้งพุทธการเลยถึงปัจจุบันนการ่ก็พวกเราพอนึกได้อยู่โดยเฉพาะสายปฏิบัติหลวงปู่เสารงปู่มัน่นครูบาอาจารย์รุ่นนั้นนะ่ะกระดูกของท่านนะ่ะกลายเป็นพระธาตุจะเรียกว่าอะไรชาวบ้เรียกว่าท่านเป็นวา อย่าไปเข้าใจว่าพระอรหันนั้นหมดยุคหมดสมัยอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะเพียถนัดนะขอให้ตั้งใจเชื่อถอพระอรหันนี่ไม่หมดยุคไม่หมดสมัยเทวดาเทวดาก็ไม่เคยหมดยุคหมดสมัยเป็นมนุษย์ก็ไม่เคยหมดยุคหมดสมัยขอให้ปฏิบัติธรรมอยู่ในฐาน น, ฐานั้นฐานะอย่างนั้นเถิด อธิบายทามาถึงตรงนี้แต่แต่เวลากำหนดที่ยงถึงบ่ายหนึ่งหรือ ย, อยางเนี่ยสรวจใจความตรงนี้ <c oughs> ช่อมลมชาวพุทธศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมของธนาคารแห่งประเทศไทยของพวกเรามีกุศลเจตนานิมนต์องค์อาตมา มาบรรยายธรรมภาคปฏิบัติแจกบิดาพวกเราทุกท่านก็จนและเจตนายอย่างนี้หลวงพ่อขออนโมตนาสาทุกับกเราตั้งใจถอะธรรมะอธิบายในภาคปฏิบัติที่พวกเราฟังเดือนพวกเราสงสัยตรงไหน่ะ เหตุผลสมมูลเลยตามคําสอนของพระพุทธเจา้าบทมีจริงต้องมีจริงๆมีแน่นอนพบหน้าฉาดหน้านี้อีกแน่นอนถ้าเผื่อพวกเราจิตใจ ย, ยังเป็นสามัญชนยังเป็นปุถุชนยังเป็นปัญญาชนนะถ้าเข้าสู่อริยชนเต้นสาพวกสาวิการแล้วนั้นก็อีกกะดับหนึ่งยกให้ แต่ตัหงแบพวกเราทุกท่านถ้าใครยังไม่มั่นใจตั้งแต่วันนี้จนไปอตาตมาขอบินบาตเถอะขอมโนทนาคุณเิเทตนาชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรามีคุณค่าการเวลาวันเดือนปีขอให้มีประโยชน์มีคุณค่าเถออย่ามันผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปจนถึงเท่าถึงแก่จนถึงที่สดจนดับขันเข้า ไปตามภาษาโลกโลกว่าคนนั่นตายคนนี้ตายแต่ดวงจิตดวงใจมันไม่ได้ตายถ้าพวกเรามีความมั่นใจเชื่อมั่นแบบผลทานมีจริงผลถิ่นมีจริงผลการทำครัวมีจริงโชคสมบัติไม่ต้องสงสารอย่างน้อยมันวสมบัติตบันทมบัติแต่ท้ายที่สุดนี่ <c oughs> อาตมาขออัญเชิญเอาคุณพระิรรัตนาไตรคือพุทธารัตน์ ทำมารัตนาสังฆา ร, รัตนาจงมาเป็นเครื่องคุ้มครองปกปก้องพี่น้องญาติโยมให้พ้นจากทุกโศโกโรคภัยและปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นบรรลือนิสายเอ็มขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนจงสมความปรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ